เชันเอนเตอร์เทนเมนต์ใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่เสรียงที่รัก พี่สูเมพอแล้วเดี๋ยวกูหอรอจนหายใจไม่ออกหรอกนี่เซลามองมองก่อนสิอย่าทำท่าลิงให้ดูนี่ดูสิจริงๆเลยพี่สูเมเนี่ย ท, ทํา